ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปรุโติยานกำลังนำเสนออริมากมาถึงข้อสมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบโดยย้อนกลับไปสะท้อนมาจากพระพุทธตรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ในสังยุตติกายกับในอังคุตรนิกายโดยทรงจำแนก การสแสวงหาทรัพย์เกี่ยวกับการสแสวงหาการบริโภคใช้สอยทรัพย์ของบุคคลไว้เป็นสิบประเภทด้วยกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะ่มันก็อยู่ได้ประมาณสักเจ็ดแปดประเภทนะครับแต่อีกสองประเภทหลังมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังที่สามัญชนจะเข้าถึงได้แต่ว่ามันก็มีคนเข้าถึง จะได้โปรดเข้าใจว่าเรื่องหล่อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะฮะพระุทธเจ้าแสดงหมายความว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่แล้วในโลกทั้งหมดเพียงแต่ว่ามาร้อยเรียงให้เห็นแล้วก็เสนอขึ้นมาทํานองคล้ายๆก็เป็นทางเลือกว่าเราจะเอาทางไหนล่ะในฐานะที่เป็นกามโมโพคีหรือผู้บริโภคกามในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนในฐานะที่เป็นครือหัสผู้ครองเรือนเนี่ย คือจเจ้าแบบแบบไหนก็เสนอมาให้ดูทุกๆแบบแต่ก็สั่งการอะไรไม่ได้อะนะสั่งการให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้วรระมเทศนาข้อนี้เหมือนกับสะท้อนเรื่องอื่นๆเหมือนกับแสดงถึงสามีพัญญาเจ็ดประเภทมาของก็กนมีอยู่แล้วอ่ะในโลกนี้ผู้เจ้าก็แสดง แล้วก็กลายเป็นทางเลือกเอาตอนแสดงครั้งแรกเนี่ยก็แสดงแกนางสุชาดาจึงเป็นลูกสะพายของท่านอนาถบินนิกาเรษฐีนางสุชาดาก็เป็นคนก้ า, าวร้าวรุนแรงนะครับชอบข่มขู่คุก ค, คามคนภายในบ้านแล้วไม่เคารพยอมเกรงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เจ้ารับสั่งเรียกมาพบแล้วราสั่งถามว่าสุชาดา ปัญญาในโลก ม, มีเจ็ดประเภทถือเป็นปัญญาประเภทไหนนางก็กราบทืนว่านางไม่ยังไม่ทราบเลยเจ็ดประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงสแสดงในภาบด้วยพระเจ้าก็ส่งจําแนกแสดงว่าปัญญาที่เสมอด้วยโจรปัญญาที่เสมอด้วยเพชฌฆา่าปัญญาที่เสมอด้วยนายปัญญาที่เสมอด้วยแม่ของสามีนะปัญญาที่เสมอด้วย พี่สาวของสามีพี่สาวน้องสาวของสามีปัญญาที่เสมอด้วยเพื่อนของสามีปัญญาที่เสมอด้วยทาสีของสามีก็หมายความว่างตัวคล้ายๆกับเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเพื่อนเป็นทาสีน้งสุจยาดาเธอก็เลือกจะเลือกเอาชุดสุดท้ายเลยบอกว่าเมื่อก่อนในรับพระองค์ไม่ทราบว่า มีปัญญาอยู่กี่ประเภทแต่เมื่อทราบจากพระบรมมีพระภาคแล้วก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยหม่อมฉันจะเป็นปัญญาประเภทที่เป็นฐาสีปัญญาอ น, น้อนผอมต้นเยอะนะฮะลดตัวลงไปเยอะเลยผลพวกเหล่านี้มันจะสำเนตประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเลือกแต่ต้องเลือกในทางที่ดีนะฮะคือถ้าไม่เลือกในทางทดีๆก็ยังไม่อยู่ในสมาชีวิ เพาในประเภทต่อไปเนี่ยเป็นประเภทที่สามนะฮนะหมายความว่าพวกกลุ่มแรกก็มีอยู่สามประเภทกลุ่มที่สองก็มีอยู่สามประเภทก็คือพวกหนึ่งสแสวงหาพวกคุสมบัติโดยชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างไงนะคร นั้นก็แสดงว่าก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีในช่วงการสแสวงหาถ้าดีก็ถือว่าดีไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีแต่ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมกรรมคือการกระทําของตัวเองอย่างที่ทรงแสดงไ ว, ว้ว่ากรรมนาวตติโลโกสัโลกก็เป็นไปตามกรรมเราเป็นคนดีก็เพราะกรรมเป็นคนโชักเพราะกรรมคือการกระทำของเราเองเพราะในช่วงใดที่สแสวงหามาในทางที่ทุจริต มันก็คือทุจริตหมายความว่าเราประพฤติทุจริตเราก็เป็นคนทุจริตแล้วก็ไปเสดผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติทุจริตไม่ได้ในช่วงใดที่ประพฤติสุดจริตก็ถือว่าสุจริตสังคมก็ยอมรับว่าสุดจริตเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในผลจะสุดจริตนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วเนี่ย มันเกิดจะนี่อันนี้คือเสียได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทํากรรมดีมกแด็แสดงให้เห็นว่าในช่วงของการแสวงหานี่คุมตัณหาได้บ้างคุมไม่ได้บ้า ง, ใ น, งในช่วงใดช่วงใดที่คุมตัณหาได้ก็เป็นการแสวงหาในทางที่ชอบทำช่วงใดที่คุมตัณหาไม่ได้การได้มาก็ไม่ชอบทำ แต่ว่ากลับมีอุปท า, านคือยึดผิดยึดมั่นหรือมั่นผิดเก็บทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้เหมือนกับปู่โสมข้าทรัพย์ต่างกล่าวระเด็นว่าช่วงนี้มันก็เหมือนกับประเภทแรกเพียงแต่ว่ามันต่างกันในช่วงของการแสวงหาเกิดดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮไอตอนไม่ดีก็เหมือนกันเลยพวกประเภทที่ห้าเนี่ย สแสวงหาพวกกรับโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างทารุณกดกดขี่บ้างไม่ทารุณกดขี่บ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันคือขึ้นอยู่กับการกระทําในแต่ละขณะในช่วงของการสแสวงหาในทางที่ชอบทำให้ทารุณกดขี่เขาก็เป็นคนดีในช่วงที่การสแสวงหา โดยวิธีการที่ทารุณกดขี่ในช่วงนั้นเขาก็เป็นคนไม่ดีตรงนี้เราจะดูที่กรรมหือการกระทำของคนในช่วงดีก็คือควรยกย่องสรรเสริญช่วงไม่ดีก็ควรกก้การตำหนิซึ่งเป็นหลักการที่พระเจ้าทรงวางไว้ว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้ว ตำหน่คนที่ควรตำแหนิงเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำแหนิงใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกจ้องกดที่ควรยกจ้องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกจ้องก็แสดงว่าเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครแต่จะมองที่พิธีการของเขาแต่ถ้าจะเอาอย่างเอาอย่างก็เอาอย่างในช่วงของการแสวงหาในทางที่ชอบทำํำ แล้วก็ไม่ทารุณกดขี่เพราะว่ามันจะเป็นความสวัสดีแก่ตนแต่พอได้มาแล้วเนี่ยก็เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุขแต่ว่าใจแคบนะฮะคือไม่เฉลีย่ยแจกแบง่งส่งเคราะห์หนุเคราะห์บุคคลอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เนี่ยทำกามดีเพราะฉนั้นมันก็มีปัญหา ปนกันทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะซึ่งพิจารณาแยกแยะแล้วก็เห็นว่าในช่วงที่เป็นการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นก็คือผิดศีลแล้วก็ผิดธรรมในช่วงที่ชอบชอบธรรมก็คืออยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าการ ได้ทรัพย์มาแล้วมาบนโภกใช้สอยเรื่องดูตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นทิธรรมมีการประโยชน์ก็เป็นสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์แต่ว่าในฐานะที่เป็นหน่วยของสังคมเนี่ยคับแคบนะคือขาดน้ำใจในการแจกแบ่งในการสงเคราะห์นุเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครอบครัวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ วนที่ใกล้ชิดกันวิธีการในทางศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งวางไว้โดยเฉพาะพระเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยิการบิณบัตอย่างนี้ตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันทำได้ดีนพะพออยู่กรุงเทพมันใกล้ๆกับเหมือนกับไข้กลนเนี่ยคืออยู่มันอยู่ห่างไกลไม่ได้พบเห็นไม่ได้รู้สารทุกขสุขเดขอบกันอะไรกัน ในต่างจังหวัดเนี่ยพระจะฉันเข้าร่วมกันมาอยู่ต่างจังหวัดมาประมาณทารายหกปีเจ็ดปีนะครับเวลาฉันเข้าวเราก็ดูแลมีการแจกแบ่งมีการสงเคราะห์โนเคราะกันมีการซักถามมีการแก้ปัญหาก็ร่วมทุกร่วมสุข ก, กันแล้วก็มีความผูกพันสูงนะ พระเนรที่อยู่ด้วยกันบางครั้งเนี่ยเขาก็พันส า, าก็ใกล้เคียงกันแต่เขาก็รบมําถือเราเป็นครูบาอาจารย์เราดูแลเขาทุกอย่างแต่พอมาถึงในสังคมเมืองหลวงเนี่ยมันแยกเป็นคณะคณะคณะทำให้โอกาสที่พระจะพบกันเนี่ยยากนอกจากในชาวบ้านมาเลี้ยงแล้วก็มีกิจิ้มบน่นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแตพ่พบกันก็ไม่ทั้งหมดหรอก ไม่เคยได้ดูแลสารทุกสุขติปกันทำให้ภาพจริงๆเนี่ยห่างเขินไปแต่มันคงแก้ไขอะไรไม่ได้อะนะเพราะว่าโครงสร้างโครงสร้างสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างแม้แต่พวกกรรมาฐานในที่บางแห่งก็ต่างคนต่างก็แยกๆยกันจังแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีเป็นรูปของรงฉัน แล้วก็เอ า, อาหารมารวมกันเสียก่อนแล้วก็ต่างคนต่างก็เอาไปเท่าที่จำเป็นจะต้องฉันเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยพระพุทธเจ้าแต่บางทีมันก็รุงรังมากไปหน่อยนะคือทำให้เสียเวลาในเรื่องกินอยู่เยอะหลังสามสี่ชั่วโมงในภารกิจการงานอื่นที่จะต้องจัดจะต้องทำตึ่งมีความต้องขันมากกว่าเรื่องกินเนี่ย มันก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำมันก็ดีกันคนละอย่างแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ให้คงความเป็นภิกษุในพุทธศาสนาไว้เต็มตามกำลังความสามารถแต่ตรงนี้เป็นการพูดถึงชาวบ้านนะพูดถึงชาวบ้านว่าบางครั้งก็ สแบวงหาในทางที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างทารุณกดขี่บ้างไม่ทารุณกดขี่บ้างเอนตั น, นี้ก็ถือว่าจะดีชั่วไปตามตามแต่ละขณะแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวก็ดีนะแม้จะบางอย่างได้มาในทางที่ไม่ดีแต่ว่าตอนเลี้ยงดูครอบครัวก็ถือว่าดีนะ แต่การขาดความมีน้ำใจกับการแจกแบ่งกับการสุงครองครอบกันแสดงให้เห็นถึงความคับแคบการไม่ยอมรับนับถือไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นแล้วก็ไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำบุญซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเอาไปทำบุญก็คือ แม้ของได้มาในทางไม่บริสุทธิ์แต่เราไปทําบุญไอ้ส่วนบุญก็เป็นบุญนะฮะไอ้ส่วนไม่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ไปตรงนี้จึงดีอยู่สองประเด็นนะในกรณีที่สแสวงหาในทางที่ชอบทำไม่ทารุณกดขี่แล้วก็นํามาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใเป็นสุขนอกนั้นก็ยังไม่ดีประการต่อไปนั้นก็คือ สแวงหาพวกกสับแต่ทรบไปชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างเหมือนกันตารุนกดขีดบ้างไม่ตาุนกดขีดบ้างเหมือนกันนะนะฮะตรงนี้เหมือนกันคือหมายความว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในสีในธรรมยังสับสนยังอาการลมเพลลมพัดอยู่ควบคุมทิศทางของชีวิตยังไม่ชัดเจนแต่ว่าดีที่ได้มาแล้วเลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุข ในที่นี้ก็หมายถึงครอบครัวด้วยแหละองศาคณะญาติด้วยอย่างที่ทรงแสดงไว้ถึงประโยชน์ในการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูแขกเรือต่างๆสงเคราะห์ญาติมิตรอะไรต่างๆทำพิธีกรรมเสียภาษีแก่บ้านเมืองคือภารกิจที่เราจะต้อง ทำเพื่อให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นหน่วยของสังคมเนี่ยมันมีเยอะแต่ถ้าใจครับแคบแล้วเนี่จะทาได้ยากเพราะจริงๆแล้วเราอาศัยแผ่นดินเนี่ยต้องให้แผ่นดินได้อาศัยดย้วยไม่จะคิดแต่จะอาศัยแผ่นดินอย่างเดียวหรือกอะโกยตักตวงผลประโยชน์จากแผ่นดินอย่างเดียวหรือว่า เปนศาสนในศาสนานี่ให้ศาสนาเรามาอาศัยศาสนาก็ต้องให้ศาสนาได้อาศัยเราด้วยมันไม่ใช่มุ่งแต่จะอาศัยศาสนาอย่างเดียวเพราะนั้นครอบครัวญาติพี่น้องมุสาคณะญาติพ่อแม่แตระกูลบงตลอดถึงสมณาชีพรามณ์อะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยมันมีคุณอุปการเราๆโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างนะฮะจนใหญ่แล้วก็พูดระดับนี้พูดระดับโดยตรงหมายความมาคนที่ใกล้ชิดกับเรา แล้วก็มีคุณอุปการ เ, เรามาก่อนตรงนี้เพื่นสังเกตว่ามันจะมีปัญหาอยู่ในช่ว ง, งการสแสวงหาในกรณีที่ไม่ชอบธรรมทารุณกดขี่แต่ว่าต่อจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีการเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวส่งครื่อยาเป็นต้นแล้วก็ใช้ทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความดี อันนี้ถือว่าชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งกลุ่มต่อไปนั้นเป็นการสแสวงหาในทางที่ชอบทำคนจะน้อยลงนะะเป็นยอดแหลมก็เจดีย์แต่คนจะน้อยลงว่าคนทำได้ขนาดนี้มันจะจะหาได้ยากคือพวกหนึ่งสแสวงหาพวกกระซับโดยชอบทำไม่ทารุณคม ข, ขี่ทุกขั้นตอนเนี่ยพิสูจน์ได้ ถ้่เรามีคำพูดอย่างหนึ่งว่าโปรง่งใสหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกฤฤตะคิดตะขวงนะฮะว่าการได้มาในบางถึ่บางอย่างพอมันจะถูกต้องหรือไม่แล้วก็เหมาะวรหรือไม่เนี่ยซึ่งฐานะคนชาวบ้านปัญหาว่าอาชีพอะไรล่ะ ถ้าเราประกอบสมาชีพของเราตามสมควรกับฐานะคือสัมาชีพคนชาวบ้านเนี่ยมันหาข้ อ, อยุติไม่ได้นะะก็แล้วแต่ใครมีฐานะมีอาชีพยังไงเพียงแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มานั้นไม่มีปัญหาในแง่มุมของกฎหมายแล้วในแง่มุมของศีลธรรม คือบางครั้งบางข่าวอาจจะกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่การจับได้ไายทั น, น, นแล้วก็ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนติดตามต่อสู้กันในโรงในศาลกว่า จ, จะวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดเนี่ยมันม น, นานแต่ว่าถ้าระดับศีลธรรมที่เราตัดสินด้วยบาปหรือบุญแล้วเนี่ยการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบธทมก็ถือว่าถูกต้องแล้วแล้วก็ดีในขณะนั้นเนี่ย ทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยมันมันก็มีปัญหามีปัญหาว่าไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการทำความดีความหมายความว่ามันเหมือนกับประเภทแรกในสองสองสองชุดแรกในช่วงของการได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกัน คนพวกนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแม้ว่าในการสแสวงหาคนท่านไม่มีปัญหาก็ตามแต่ว่าได้มาแล้วมันทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์พวกหนึ่งก็สแสวงหาพวกกะทรัพย์โดยชอบทำไม่ทารุญคมขี่ได้มาแล้วเลี้ยงตนเองให้อิ่มนำเป็นสุขแต่เสีย น, นิดเดียวคือไม่แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ไม่ใช้ทาความดี ตอนช่วงการแสวงหาไม่เป็นปัญหาช่วงการพกใช้สอยไม่เป็นปัญหาแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมต้องรับผิดชอบเรื่องชีวิตหลังตายด้วยเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีการสะสมบุญไม่สะสมกุศลคือความดีพุณเจ้าคุงเคยแสดงเก็บพรามณว่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ชนะแล้ว ก็รับสั่งเป็นใจความว่าดูก่อนพราบัตินี้ไัยของท่านแกงองอมพระเรางไปแล้วมันเหมือนกับใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุดจากคั่วแต่ว่าสเบียงคือกุศลของท่า น, นยังไม่มีเพราะท่านจงทำบุญคือสร้างสมสเบียงคือกุศลที่ผู้ไดคนแก่เข้าใจนะครเป็นดำนานแค้แค่การเดินทางไกล เดินทางไกลเนี่ยเราก็ต้องมีสเสบียงต้องมีค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเราอาจจะเทียบไม่ได้แต่สมัยโบราณเนี่ยมันชัดเจนว่าเราก็ต้องมีสเสบียงไปแม้แต่คนที่ไปเที่ยวอินเดียในปัจจุบันเนี่ยบางครัง้งบางคราวก็ต้องเตรียมสเสบียงเพราะว่าอินเดียมันไม่เหมือนประเทศไทยนะที่จะโจรถบัสโคลงก็ไปแล้วก็ซื้ออาหารเลี้ยงดูกันได้เป็นร้อยๆคนเนี่ยมันทาทา ทำได้ยากแล้วก็ต้องเตียบเสบียงการพูดในแนวเสบียงมันก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่าเราเดินทางไกลไปสู่สังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยสเสบียงนั้นจะเป็นที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงตนเองแล้วก็ไปยุติด้วยหลักที่เรียกว่าศรัทธาพันติปาปะเถ อ, อย่างศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศล เสบียงมันก็กลายเป็นที่พึ่งพำมนักเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้แก่บุคคลเหล่า น, นั้นสามารถอยู่ดีมีสุขตามสุขควรแก่กติภพที่ตนในปัุบันมันก็แสดงว่าการได้ทรัพย์มาในทางชอบธรรมแล้วก็ได้มาแล้วเลี้ยงดูตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุขนั้นมันก็ดีในปัจจุบัน แต่การไม่แจกจ่ายแบ่งปันเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการสงเคราะห์ญาติวิทยาการนั้นจะสังกโโหการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเป็นอุดมมงคลแล้วก็ไม่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทำความดีทพย์สมบัติที่เรามีมันก็ต้องทิ้งไปในโลกเรามาในโลกนี้ด้วยกรรมของเราอยู่ในโลกนี้โดยกรรมของเราจากโลกนี้ไปโดยกรรมของเราแต่ว่าเมื่อไม่ได้สร้างสมกุศลคือความดีไว แล้วก็เป็นการสร้างปัญหาแก่ตนเองคือว่าจะเดือดร้อนในภพชาติที่ตนไปบังเกิดแล้วดังนั้นได้ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยสุวรรณตาสุสรตตาสุสันทานังสุรูปตาที่ปัจจังบริวโรสบำเมเตนันลปฏิ สุวรรณตาคือความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามสุสระตามีเสียงไยเราะสุสันธานางังสุดสงสุมส่วนสุรุปรตามีรูปงามเป็นต้นเนี่ยมาเกิดมาจากบุญญาณิชฌะที่ทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยหกพันวัล้าเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันเลยมันอะไรอยู่เบื้องหลังเราอาจจะพูดถึงยีนอะไรก็ว่าไปเถอะพูดถึงยีนพูดถึงดีเอเอะไรแต่ไรว่าไปเอาเข้าไปถึงยีนเนี่ย มันจะอธิบายไม่ได้หรอกนอกจากว่าไปพูดในแง่ของกรรมถึงมันเป็นนามนธรรมมันมีทิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในเราสังเกตนะฮะในสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนแทนที่จะเป็นรูปธรรมไม่เป็นนามนธรรมนะเป็นความคิดเป็นจิตใจของมนุษย์ แล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจของเราเองนะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอยู่ที่การตัดสินใจในแต่ละขณะของเราเดินไปดีๆเกิดละโมบมูกขึ้นมาเนี่ยไปชิงทรัพย์เขาในกลายเป็นโจรไปทันทีทันใดเลยหรือว่าเดินไปแล้วก็ไปเจอทรัพย์สินเงินทองเขาวางทิ้งไว้แล้วก็นําไปคืนให้เขาก็กลายเป็นพลเรีไปในทันทีทันใดกลายเป็น วีรบรุษไปในทนทีทันใดตราแสดงว่าเจนมากกว่าการกระทาในแต่ละขณะมันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนดีควรดีแล้วก็ให้ผลในในในอนาคตแก่าเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเป็นบุญเป็นกุศลหรือ บ, บั่นบนะกุศลก็บุญแหละที่จะติดตามผลแก่เราการต่อไปเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จึงมีปัญหาในกรณีที่ รู้จักบริหารกระสับกรสัให้เป็นโยชน์ตนทั้งในขณนะ น, น, นั้นขณะปต่อไปแล้วก็ในพพชาติต่อไปท้กฟังไดแต่รบพระพุทญาณในวันนี้ยุติไว้เวลาวันี้ที่สุดนี้เขาทำจเจริญเมงามไปูุให้ทำจงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี